ดัมยังสังคาพิธูติงกะโรมาเซเ ย, ยอิโซอสุปฏิปันโนะพระเขาว่าโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดาธิบาติดีแล้ว อุจปาฏิพันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูดายปฏิบัติตรงแลว้วยายาปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูดาย ปฏิบัติรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วสามีจีปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูมได้ปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ อาตาภูริสัยอาทะภูริสัพุฆราคู่ห่งบรุษสี่คู่นับเรียงตัวบูรุษได้แปบูรุษเอสาพรเขาวดุสพกระซังโคท่นแด่สงสาวโของพระผู้มีพระภาคยาว อาหุเนยโยเป็น ส, <อ> ง, สงควรแกสการะามาบูชาเป็นผู้ควรรับดากศีนาทานอันเชรีการณโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทมอัญชรีอานุตรังบุญญาเขตังโลกาสะเปเ น, นื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดามาหั่งสังขังอภิปูชยามิพระเจ้าบูชายอย่างยิ่ง ชา พ, าพาอพระสงฆ์หมู่นานดามั่งสังขังศิรส า, านามามีอ้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นานด้วยเสียนลรา